Thank you. อันนี้ก็ขึ้นวันใหม่แล้ววันที่ยี่สิบสามสิงหาคมนะปีที่แล้วก็อีกสามชั่วโมงเสษ็จหรือเกือบสี่ชั่วโมงเป็นช่วงเวลาที่หลวงพ่อลาสังขาร น, นะตอนนี้ก็ผ่านไปนแล้วหนึ่งนปะีแต่ไงก็ตามถึงแม้ว่าร่างกายของหลวงพ่อไม่อยู่แล้วเนาะแต่ว่าธรรมะมรดกธรรมเนี่ยที่เป็น คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ได้ทิ้งไว้กับให้กับพวกเราไว้ศึกษาแล้วนะ mm hmm. ก็ธรรมะของหลวงพ่อเนี่ยเท่าที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นธรรมะที่ mm hmm. ในความเห็นของอาตมานะว่าเป็นแก่นจริงๆนะ mm hmm. เวลาท่านแสดงธรรมท่านก็ไม่ค่อยเอาเรื่องนอกตัวมาม า, มาพูดคุยกันสักเท่าไหร่นะมี mm hmm. แต่เน้นเรื่องของอความรู้สึกตัว นะรู้กายรู้ใจทีนี้มีเมื่อตอนเย็นที่เราได้ฟังที่ท่านเทศที่ตรงเป็นซีดีเนะาะศาลาหอใจมีประโยคหนึ่งที่ท่านบอกว่าการการฝึกความรู้สึกตัวเนี่ยเกี่ยวกับการเดินเนี่ยอย่าเดินฟรีๆนะให้เรารู้สึกตัวไปด้วยแล้วก็ท่านก็เล่า ว, ว่าท่านเดินมาจากวัดภูเขาทองมาวัดป่าสุขโต นับเก้าได้ก็ห้าพันสารอเจ็ดเกทีนี้เราก็ อ, าอยากจะเดินตามรอยท่านบ้านเนาะบ้างในประเด็นนี้เมื่อวนันเมื่อสองวันก่อนก็ล อ, อก็ได้ลองเดินแล้วร่วมกับกลุ่มของอหอจดหมายเหตุพุทธทาสยังอยู่เนา ะ, ะก็มีพระสามรูปแล้วก็มีโยมประมาณเกือบยี่สิบคนยี่สิบคนได้ก็ลองนับดูนะนับดูได้อัตมานับได้สี่พัน 742่อนะแต่นี้ไม่ไม่เป็นไม่เป็นสาระนะไม่เป็นประเด็นเพียงแค่ว่ามาบอกตัวเลขกันเฉยๆแต่ว่าที่ท่านบอกว่าการเดินเนี่ยอย่าให้เดินฟรีก็คือให้เราฝึกรู้สึกตัวก็เลยใช้ในการเดินเนี้ยเป็นความรู้สึกตัวก็สิ่งที่พบที่เห็นนะจากการเดินเนี่ยอย่างตอนแรกที่ก้าวขวาออกเนี่ยเราจะรู้เลยว่านับ1เป็นเลขขี้เท้าขาเป็นเลขขี้เนาะแต่เดินไปเดินมาไม่รู้เป็นยังไงกลายเป็น เท้าขามันเป็นเลขคู่ไปได้ใช่ไหมนี่แสดงว่าขณะที่เราเผลอไปเนี่ยเราไม่รู้แต่ว่าเมื่อรู้ว่ามันเผลอเนี่ยตรงนี้จึงรู้ว่าอ้มันนับผิดเอ่มันนับผิดทีนี้เปียกย่อยมันมีเล็ ก, ล ก, ล ก, ลกๆน้อยๆเดี๋ยวลองลล่าสู่กันฟังคิดว่าโยมก็น่าจะใช้ประเด็นนี้เหมือนกันหรือว่าบางคนอาจจะเอาแต่นับอย่างเดียวก็ได้ไม่ได้พิจารณาว่าตัวสติเนี่ยเขาไปเห็นอะไรบ้างเนาะ ทีนี้อย่างเวลาเรานับก็เหมือนกันนะนับหนึ่งสองสามอัตอมานับไปแค่หนึ่งร้อยเพราะว่าถ้าเกินร้อยเนี่ยมันมันเริ่มมันหลายหลายพยางาก็เลยจดไว้พอถึงร้อยก็นับหนึ่งใหม่นะทีนี้ระหว่างที่ที่อัตอมาเขียนเลขหนึ่งร้อยเนี่ยแต่เก้ามันก็ยังเดินต่อไปเนาะตรงนี้ลวนอีกแล้วก็เลยไม่รู้เท่าไหนเป็นเท่าไหนแต่ก็มีสติเห็นอยู่น ะ, ะรู้อยู่ว่า มันมันมั่วแล้วนี่แสดงว่าสติเนี่ยไปเห็นความมั่วนะตัวมั่วไม่ใช่ตัวสติแต่ว่าตัวสติเนี่ยไปเห็นแล้เห็นว่ามันมั่วแล้วแล้วก็เริ่มใหม่นับใหม่ไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเห็นการผิดพลาดก็ก็เยอะนะเห็นอย่างบางทีนับเช่นสมมติว่าหกสิบหกสิบเจ็ดเนี้ยมันไปต่อเป็นเจ็ดสิบเก้าเอ้ยเจ็ดสิบปดต่อไปเลยมันข้ามเป็นสิบอ่ะตรงนี้ก็เป็นเรื่องของความระลึกได้เป็นเรื่องของการเห็นของสติที่มันพลาดไปมันหลงไปเนาะ เพียงแค่ว่าเหมือนกับว่าเราจับทางมันได้เลยว่าขณะที่มันหลงเนี่ยไม่มีทางที่จะรู้มันได้มันจะต้องหลงก่อนแล้วก็รู้ตามทีหลังนะซึ่งเป็นสภาวะธรรมที่ครูบาอาจารย์ก็ได้สั่งสอนพวกเราว่าการระลึกรู้เนี่ยการตามรู้เนี่ยสิ่งนั้นจะต้องเกิดก่อนนะหมายถึงว่าอาการทางจิตเนี่ยมันจะต้องเกิดก่อนแล้วก็รู้ตามทีหลังทีหลังถ้าหากว่ารู้ตามได้เร็วเขาเรียกว่ารู้ทันะผิดปับ๊บรู้ปุ๊บผิดปับ๊บรู้ปุ๊บอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้เท่าทันเนาะ แตส่วนของการรู้กายเนี่ยมันรู้พร้อมๆกันไปเลยนะพร้อมกันไปเลยเพราะว่ากายกับจิตเนี่ยมันมันคน ล, ละนั่นกันแต่ว่าถ้าจิตกับจิตเนี่ยมันจะต้องเหลื่อมกันนะเกิดก่อนแล้วก็รู้ตามทีหลังซึ่งหลักการนี้เราก็ได้ยินได้ฟังมาเยอะแล้วลนะ่ะการรู้ตามเนี่ยก็เป็นหลักวิปัสสนาด้วยอารมณ์เก่าดับไปอารมณ์มใหม่เกิดขึ้นอารมณ์ใหม่เกิดอารมณ์ใหม่ที่เกิดเนีน่ยก็ดับไปก็เป็นอารมณ์เก่าแล้วก็ใหม่ก็เกิดขึ้นมันก็จะเกิดดับอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไป การจเจริญสติเนี่ยตัวสติจึงเป็นตัวเห็นนะที่ที่หลวงพ่อคำเขียนท่านพูดอยู่เป็นประจำว่าเห็นผิดก็เห็นถูกก็เห็นเนาะหรือว่าคิดดีก็เห็นคิดชั่วก็เห็นนะเพราะฉะนั้นอาการคิดก็ดีมันก็ไม่ใช่ตัวสติแต่ว่าเป็นสิ่งถูกเห็นเ อ, อเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในชีวิตของเราเนี่ยมันมีสิ่งอะไรมากมายนะทั้งส่วนที่เป็นทางอาการทางร่างกายก็ดีทางจิตใจก็ดีนะ มันมีอาการเกิดดับแปลตัวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเราไม่หลงลืมตัวเราก็จะเห็นอาการเหล่านี้เกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปก็เป็นอารมณ์วิปัสนาเนาะก็ทำให้เราเห็นแจ้งตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนหรือว่าที่หลวงพ่อคาเขียนท่านท่านบอกเรานี่แหละว่าทุกอย่างเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาเนาะทีนี้ถ้าเราเห็นบ่อยๆตรงเนี้ยมันก็จะประเทืองปัญญานะ จนถอนความยึดมั่นถือมั่นได้เมื่อก่อนเราเข้าใจผิดนี่อะไรก็เหมาเป็นเราไปหมดเลยเนาะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นทางด้านร่างกายมันเจ็บมันปวดก็เราอย่างเดียวออมันหลงก็เราหลงอะไรก็เป็นเราหมดทีนี้ถ้าเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ปฏิบัติตามก็จะเห็นตามอย่างไม่ยากนะทีนี้อย่างที่ที่หลวงพ่อคําเขียนนี่อาตมาก็หนึ่งละที่ว่ามีความระลึกถึงคุณของท่านนะคำสอนของท่านเนี่ยมันอยู่ในหัวใจตลอด โดยเฉพาะคําต่างๆที่เป็นคําที่คําเด็ดๆอย่างเงี้ยที่บอกว่าเห็นอย่าเข้าไปเป็นอย่างเงี้ยนี่มันมันฝังอยู่ในหัวใจเลยอะไรกระทบปับ๊บเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกปับ๊บมมันมามันก็เรียกว่ามันมาทันเวลากั บ, ก, บกับเหตุการณ์อย่างเงี้ยนะหรือว่าอย่างที่เห็นทุกก็พ้นทุกตรงเนี้ยมันเป็นทําให้เรารู้สึกเรามั่นใจมากเลยว่าอะไรก็ตามนะที่มันเกิดขึ้นในร่างกายก็ดีจิตใจก็ดีมันก็ล้วนแต่เป็นทุกทั้งหมดใช่ไหม เพรสิ่งพวกนี้มันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์เมื่อมันเป็นทุกข์มันก็เป็นอนัตตาไปในตัวเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏให้รับรู้ได้ล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราเลี่ยงไม่ได้แล้วเลี่ยงไม่ให้มันเกิดก็ไม่ได้นะเพราะว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นที่มันเกิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดนี้แหละนั่นแหละคือทุกข์อัตมาก็จําหลักให้ง่ายเลยว่าอะไรก็ตามที่รับรู้ได้นะรู้สึกได้ล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งหมดแล้้้้วก็็็ถาาาเเหหนนนนออยย่่งงีี มันก็จะพ้นทุกคือไม่เข้าไปเป็นกับมันนะมันเป็นคล้ายๆว่าเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์อะ่ะเออมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นหลักการนะเป็นหลักการที่ที่เ อ, อกระชับสั้นๆอย่างเงี้ยเราก็เออใช้แล้วก็เวลาไปอยู่ที่ไหนอะไรก็เนี้ยใช้ตรงเนี้ยอะไรเกิดขึ้นก็อืมอืมอมมันมีนะเมื่อก่อนเนี้ยหลวงพ่อคำเขียนท่านท่านใช้เรื่องเรื่องความรู้สึกตัวเนี้ยเหมือนกับว่าเวลาอะไรเกิดขึ้นเนี้ย มันไม่เป็นภาษาพูดใช่ไหมท่านก็เหมือนกับว่าจะเข้าใจกับตัวเองก็บอกอืมอืมอะไรเงี้ยอันนี้ก็มาใช้บ่อยพ อ, พอเรามีความรู้สึกเช่นทังใจก็ดีเนะาะทังกายก็ดีเหมือนกับทําความในใจเอาไว้เนี่ยอืมเข้าใจแล้วนะรู้แล้วนะอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันก็อืมมันก็โอ้มันสนุกอะทีนี้พอมาเราเดินสูตรนี้เนาะรู้สึกว่าเอออะไรเกิดขึ้นมันก็สนุกไม่ว่าอารมณ์ดีอารมณ์ดีก็ตามอารมณ์ที่ถูกใจอะนะ เราเห็นมันอืมแต่ไม่ต้องไปยินดีเพราะเรารู้ว่าอันเนี้ยก็คือทุกข์อยู่ดีมันก็ต้องเกิดดับแรปรปรวนอยู่เรื่อยอารมณ์ไม่ดีนะสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายที่กระทบจิตมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละมันเสมอกันดีกับไม่ดีก็คือเกิดขึ้นทั้งอยู่ดับไปหมดเลยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวยินดียินร้ายตรงเนี้ยเหมือนกับว่าถ้าเรามีประสบการณ์มากๆเนี่ยมันจะมาทันเหมือนกันพราเกิดทำท่าเช่นสมมุติอารมณ์ดีๆนะคนชมก็ดีหรืออะไรก็ดีพอมันเกิด ในจิตของเราเนี่ยมันรับรู้ได้พอรับรู้ได้เสร็จเหมือนกับว่าบางทีมันทํำท่าจะหลงไปแต่รู้ทันอ้าวหลุดอีกแล้วพอรู้ทันมันก็หลุดแต่ถ้ารู้ไม่ทันมันก็เข้าไปเปติดเป็นแมพอยู่หน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นคนเรียก ว, ว่าทําให้เราคงแคล่ว่องไวกับอารมณ์ตรงเนี้ยเนาะแต่ต้องเราต้องรู้จักก่อนเนาะถ้าทาไม่รู้จักมันก็อย่างว่าแหละก็ต้องเอาอารมณ์อยากไปก่อนเนะอืมทีนี้มันมี อามบางตัว ท, ที่อยากจะคุยนิดหนึ่งก็คือว่าเป็นเรื่องที่ถือว่าค่อนข้างรู้ยากนะเรื่องความยินดีความความยินดียินร้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องค่อนข้างจะรู้ยากแต่ทีนี้ให้เราลองสังเกตก็ได้บางทีคำพูดของเราเองนี่แหละเป็นตัวหลงเช่นสมมตินะสมมติว่าใครที่มาวัดป่าสุกโตครั้งแรกบอกว่าพอเห็นสถานที่อะไรต่างๆแล้วก็บอกว่าโห้วัดป่าสุกโตน่าอยู่จังเลยอย่างเงี้ย นี่ตรงนี้ยินดีแล้วนะมันแอบยินดีไปแล้วเพราะมันบอกว่าน่าอยู่ถูกไหมแสดงว่ามันมันจะไปตรงกันข้ามกับความไม่น่าอยู่เพราะฉะนั้นที่ที่เราบอกเราคุยกันเองบางทีเวลาเรามาเราก็คุยโอ้ดีจังเลยอย่างนั้นเนี่ยตรงนี้ระวังให้ดีเพราะว่าคำพูดของเรามันก็ออกมาจากใจใช่ไหมใจมันรับรู้สัมผัสมันพอใจเออมันพอใจในสถานที่แห่งนี้ มันก็บอกโอดีจังเลยนี่แสดงว่าเราแอ บ, บยินดีไปแล้วหรือว่าสมมติสายตาเราไปเห็นอะไรบางอย่างเนาะพอเห็นอะไรแล้วก็พูดออกมาว่าเฮ้ยที่นี่ไม่ดีเลยนี่แสดงว่ายินร้ายไปแล้วเหมือนกันนะตรงเนี้ยลองลองสังเกตดีนะบางทีมันเป็นภาษาพูดในใจอะ่ะเราจะเห็นได้ว่ามันมันจะพูดในใจหรือถ้ามันไม่พูดในใจมันก็พูดออกมาให้คนอื่นฟังอะไรประมาณเนี้ยเพราะงั้นถ้าเรารู้ทันนะ รู้ทันปั๊บละมันเลยรู้แล้วละรู้แล้วละเงี้ยมันก็หลุดทุกครั้งที่ที่ละได้มันก็หลุดทีนี้ถ้าเราเข้าใจเข้าใจไอาการหลุดแบบเนี้ยนั่นแหละก็เรียกว่าหลุดพ้นออกมาบางทีอาตมาก็มองเหมือนกันนะบางทีเราปฏิบัติทำเหมือนกับว่าคล้ายๆว่าปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกเนี่ยแต่ว่าถ้าเราไม่รู้จักว่ามันพ้นแบบไหนเนี่ยมันก็ยังคําหาอยู่ว่าไอพ้นทุกมันพ้นยังไงแต่ถ้าเราเข้าใจเรื่อง เรื่องิตปล่อยวางก็ดีหรือว่ามีสติรู้เท่าทันแล้วมันมันหลุดมันพ้นเนี่ยตรงนี้ยมันเป็นแคล้าความรู้สึกแบอการหลุดพ้นคือเป็นอย่างเนี้ยแล้วก็มันจําสภาวะการหลุดพ้นได้เลยมันก็จะจะคล่องแคล่วชานาญมากขึ้นเอย่างเงี้ยนะจริงๆก่อนท่านนี้ก็ฟังครูบาอาจารย์ท่านก็พูดเยอะนะเราก็เดินไกลๆนอนแต่ก็ได้ยินโดยเฉพาะอาจารย์ใบสานท่านก็พูดเหมือนกับว่าหมดแล้วและความจริงอะ่ะ <laughs> พูดหมดแล้วนะ ไอเรามาพูดตีหลังก็จะพูดอะไรอีกอะเนาะแต่ว่าโอเคล่ะถือว่าอาจารย์พูดไปก็พูดอะหมดก็หมดแต่ว่าไอเราเนี่ยนะความยินดียินร้า์เนาะมันอาจจะไม่หมดเช่นเช่นนะโยมจะนึกว่าอาจารย์คนนี้พูดดีจังเลยแน่แๆ่น่่แน่ถูกไหมแอบยินดีไปแล้วหรืออาจารย์คนนี้พูดไม่เอาไหนเลยนั่นยินไลน์ไปแล้วเพราะนั้นถึงอาจารย์พูดดีนะแต่เราเนี่ยยังมีเหลืออยู่ก็ดูดูใจกันแล้วกันเนาะ ใช่ไหมเดี๋ยวก็อาจารย์องค์นั้นพูดอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยดูใจเราแล้วก็จะเห็นความยินดียินร้า์ถ้ารู้อย่างเนี้ยรีบละให้เร็วรู้แล้วละนะรู้เร็วละเร็วก็อืก ม, มพ้นเร็วแต่ถ้ารู้แล้วไม่ละยึดถื อ, อไว้ความดีอย่างนั้นอย่างนี้ปลื้มอย่างนั้นแหละนั่นแหละแสดงว่าติดนานแล้วนะปลืม้ม <laughs> ปลืม้มอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเป็น เกล็ดเล็กๆน้อยๆที่มีประสบการณ์นะนะก็เลยเลยมาแชร์กันจริงๆก็หมดแล้วอาจารย์เอ า, เ อ, านะอีกยงนะเอ้าพูดประเด็นอีกก็ได้เมื่อกี้นึกถึงอยู่คือการที่เราเปฏิบัติธรรมข้ามคืนนะนะนี่ถ้าไม่มีรายการที่แสดงธรรมาคั่นเอาไว้เนี่ยรวมถึงอาตมาด้วยนะเกิดอะไรขึ้นอาจจะหลับไปแล้ว ใช่ไหมแต่ทีนี้มันดีพรงว่าบางทีพอหลอง่วงปั๊บอ้าวคองดังอีกแล้วตื่นพอตื่นเสร็จอ้าวฟังไปสักหน่อยนึงฟังไปครึ่งชั่วโมงทําท่าจะง่วงพอดีอ้าวได้พักอีกแล้วก็ตื่นอีกแล้วมันทําให้จิตตื่นได้เนาะเออเนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยกันบางทีเนี่ยเพราะว่าบางอย่างเนี่ยที่อาจารย์ไพสาลบอกว่าทุกอย่างมันมาแต่เหตุนะไม่ใช่อยู่ๆมันจะเป็นเองทีนี้ถ้าเรามีสติลึกๆเนี่ยเราจะพบพ บ, พบเหตุของมันว่าความง่วงมันเกิดจากอะไร แล้วความไม่ง่วงมันเกิดจากอะไรเนี่ยเหตุปัจจัยต่างๆเนี่ยมันแล้วแต่ว่าเกิดจากอะไรบ้างเราจะต้องย้อนรอยถอยหลังเข้าไปเองว่าอืมก่อนนี้มันง่วงแล้วตอนนี้มันหายง่วงแล้วเนี่ยมันเพราะอะไรอันตมาก็ไปเก็ตดูมาตอนตอนแรกก็มามันง่วงเหมือนกันเนาะพอมาฟังตอนพระอาจารย์ไพสาลเทศมันก็หายง่วงอ่ะเออก็เลยรู้ว่าอ๋อนี่ความหายง่วงเนี่ยมันเกิดจากเหตุปัจจัยหนึ่งเราตั้งใจฟังก็ได้เพราะตั้งใจฟัง จิตมันก็ตื่นเนาะพอจิตตื่นมันก็จะตรงข้ามกับจิตหลับกับจิตที่ง่วงซึมอะไรต่างๆอ๋อพะจิตมันสนใจในเรื่องที่พระจารย์เทศพอมันสนใจมันก็ก็ตื่นใช่ไหมไม่ง่วงเงียบก็หายมันปิดทิ้งก็เลยไปพบเหตุของมันอ้าวมันก็เหตุอันนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยนึงแหละแต่จริงๆก็ยังมีตัวอื่นอีกประกอบหลายๆหลายหลายส่วนอย่างน้อยก็ได้พบเหตุเนี่ยถ้าเราพบเหตุอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็เออ หนทางแห่งการรู้อริยสัจสี่มันก็ไม่ยากเพราะเริ่มเริ่มจับทางได้แล้วอะไรประมาณอย่างเงี้ยเนาะอ่ะแล้วอีกการหนึ่งอะไรอีกมันลืมเหมือนกันนาโยมบางทีเวลาเดินจงกลมเนี่ยมันคิดว่าแป๊บๆจะคุยแต่ทีนี้อัตมาไม่ค่อยจําเหมือนกับว่าถ้าจํามันเป็นภาระนะมันการที่เราจะจําอะไรไปไ ป, ไ ป, ไ, ปไปพูดหรือว่าจําอะไรไปอย่างเช่นโลเทสเนี่ยแสดงธรรมเนี่ย ถ้าเราคิดล่วงหน้านะในความเห็นส่วนตัวเนี่ยความรู้สึกเป็นภาระแล้วก็ทําให้เวลาเราเทศจริงๆเนี่ยเราโมาแต่คิดว่าเราต้องจําอะไรมันสมองไม่ลื่นแต่ว่าถ้าพูดสดอย่างนี้นะนึกอะไรได้ก็พูดไปพูดไปเนี่ยพูดอย่างพูดโดยเฉพาะสภาวะธรรมเนี่ยเออมันก็ไหลไปเรื่อยแหละเวลาเราคุยกับบางทีคุยกับกัญญาณวิตทกับโยมอะไรอย่างเนี่ยคุยเท่าไหร่ก็ไม่จบเรื่องธรรมะนะ เราต้องดูตัวเราแล้วให้ตอนนี้เป็นยังไงพีปัสนุเข้าแทรกหรือยังต้องรู้ทันว่าโอ้เรากําลังเพลือดเพลินอร่อยเนี่ยรู้ทันก็ต้องต้องหยุดละละความอยากลงไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นนิสัยนิสัยอยากเทศอยากพูดโอ้ยเห็นหน้ายโยงก็อยากพูดเงี้ยแย่ายมากนี่ไม่ได้ห้ามใจห้ามใจไว้ก่อนพออยากจะพูดก็หยุดเอไว้หยุดเอาไว้ขัดเก้ามันเออมันก็ตัวรีบตัวเล็กลงนะฝึกไปมา ก, มากๆสุดท้ายมันก็อาจจะเพิ่ม เฉยไม่อยากพูดแล้วก็ได้ยอมมีไหมล่ะเวลาที่อยากเวลารู้ธรรมะก็อยากคอยากเทศอ่ะมีเนาะต้องมีบ้างแหละมความรู้ใหม่ก็คิดว่าหมดแล้วหรอครับอาจารย์เนาะยี่นาทีเนาะเอามาทวนเรื่องอารมณ์ที่เราฝึกกันนิดหนึงดังนั้นเล่าประสบการณ์แล้วกันความโง่ของเราเองอะ เมื่อก่อนมาเรียนเรียนธรรมะกับแนวทางการเคลื่อนไหวนี่แหลนะเนาะสายหลวงพ่เทียนก็มีการคุยกันนักกันหนาวว่าเป็นการเจริญสติปักฐานสี่อาตมากว่าจะรู้มันเป็นสี่ะผ่านไปตั้งหลายปีรู้อย่างเดียวว่าสี่ได้ยังไงมันมีแต่ ก, กายอะกายจริงๆโ ย, ยมโยมเริ่มนึกอย่างนี้ไหมล่ะเนี่ยเคลื่อนกายแลย้วมันเป็นสี่ยังไงอะ ใคือเราเราเราคิดไม่ออกไทงทั้งทั้งที่สภาวะธรรมมันจริ ง, รงๆมันสีฐานแลวแหละกายวัทนาจิตธรรมแต่ว่ามันยังไม่เกิดการฉเฉลียวใจก็เลยว่ามันได้แค่กายอย่างเดียวนะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งระหว่างนั้นก็นั่งรถไฟไปใต้เนาะสนทนาธรรมบนรถไฟเนี่ยว่าแนวปฏิบัติเป็นอย่างนี้ เ, เริ่มต้นจากที่กายแล้วก็เจริญสติปัฏฐานส แต่ตอนที่เริ่มต้นน่ะเริ่มต้นพูดมันยังเป็นกายอยู่ฐานเดียวอยู่แต่พอคุยไปคุยมาเนี่ยสภาวะมันเกิดเราก็ทํามือไปด้วยอะไรเนี้ยเอ้ยยกมือไปกายเคลื่อนไหวอันนี้เป็นกายอยู่แล้วแต่ก า, ni, กายเมื่อยนี่กายเมื่อยกายกายปวดนี่มันไม่ใช่กายแล้วอ่ะมันเป็นเวทนาที่อยู่ในกายก็เอา้ายกไปมันก็เห็นความปวดความเมื่อยนี่ได้สองฐานแล้วนะกายเคลื่อนไหวกายปวดปวดเมื่อยเมื่อยก็เป็นเวทนาเอาทีนี้ใจมันคิดล่ะ เอา้านึกออกอีกอันนั่งเองเอระหว่างเรายกมือไปอย่างเงี้ยใจมันก็คิดได้เนาะใจก็ไม่ใช่เวทนาใจก็ไม่ใช่กายเอา้ามันเป็นอีกตัวหนึ่งใจคิดหรือว่าอารมณ์ทางจิตใจเช่นอารมณ์เป็นความสุขก็ดีหรือว่าเป็นอารมณ์ทุกทางใจก็ดีหรือว่าเป็นความสงบก็ดีหรือขี้เกียจขี้ค้านเบื่อเซ็งก็ดีเอา้ามันเป็นอารมณ์ทางใจนี่ แล้วทั้งใจเนี่ยมันก็เป็นหมวดธรรมะได้เหมือนกันเพราะว่ามันมีความแปรปวนใช่ไหมมีความแปรปวนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเอา้าไม่แน่ไม่นอนเอา้ามันก็เป็นธรรมก็เลยมันมาปิ้งอยู่บนรถไฟอะ่ะโยมว่าโอ้ถูกแล้วที่ก็บอกว่าเป็นการเจริญสติปักฐานสี่มันครบสี่ฐานอืมเลยมาตอนเนี้ไม่ยากแล้วแหละแค่ยกมือทีเดียวมันก็ครบทั้งสี่ฐานแล้วใช่ไหม อัตมามีอยู่อันหนึ่งที่บางทีตกพื้นนะี่มันมีเสียงดังเนี่ยโยมลองฟังไหมละ่ะนเนี่ยแค่เนี้ยนี่พระไตรปิฎกทั้งเล่มนะเนี่ยทั้งหลายเล่มด้วยไม่ใช่เล่มเดียวสถ้าถ้าสมมุติเรามีเ อ, อได้เรียนปริยัตอยู่บ้างนะนะแค่หูได้ยินเสียงแค่เนี้โยมแปดหมื่นสี่พันพระธรร ม, มขันธนะ์สามารถอธิบายได้เลยอะแต่ว่าถ้าหนึ่งเดียวนะโยมไม่ต้องพูดอะไรง่ายไหม ไม่ต้องอธิบายไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเลยแค่สักแต่ว่าก็พอเนี่ยถูกไหมเพราะนั้นธรรมะมันเป็นเรื่องง่ายตรงเนี้ยสักแต่ว่าเนี่ยมันง่ายเพราะเราไม่ต้องใช้หัวคิดไม่ต้องเปืองสมองไม่ต้องเอาสัญญาเลยมาเลยแค่กระทบสัมผัสแล้วก็รู้แล้วก็จบแต่ถ้าคิดนะโยมคิดหนึ่งวันสองวันสามวันยังไม่ออกยังไม่จบอ่ะ เพราะนั้นธรรมะเนี่ยที่บอกว่ามันเป็นหนึ่งเดียวตรงเนี้หนึ่งเดียวก็คือหมดคําปรุงแต่งมีแต่รู้แหมแต่พูดไปมันก็ไม่ใช่อีกนะเนาะพูดไปก็ไม่ใช่อกีกเพราะนั้นเป็นปัจจิตังก็คือถ้าโยมสักแต่รู้ได้สักแต่เห็นสักแต่รู้กลิ่นอะไรเนี้ยมันสั้นมันรัดสั้นมันง่ายเนี่ยสายหลวงพ่อเทียนเนี่ยจริงๆสอนให้ให้ให้รัดสั้นขนาดนี้นะอืมรู้รู้เฉยๆเห็นไหมรู้เฉยๆ มีสติสัมปชัญญะรู้เฉยๆยไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกไม่ต้องอะไรทั้งหมดเนี่ยมันสั้นขนาดเนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ฝึกไปแต่เวลาฝึกอะ่ะถ้าเราเข้าใจเรื่องสตินะสติจะเห็นหมดมันจะเห็นยังไงเช่นหูได้ยินเสียงใช่ไหมมันได้ยินได้ยินเสร็จแล้วจบแล้วแต่ถ้ามันปรุงแต่งขึ้นมาเช่นมันบอกอา้าวเมื่อกี้เสียงดังถ้าโยมเข้าใจเรื่องความคิดโยมจะรู้เลยว่าอา้าวตัวความคิดมาขยายความไอ ไอ้ก่อนหน้าเนี้ยอืมเพราะว่าไอ้ตอนพรรษาแรกเนี่ยมันมีแต่รู้เฉยๆรู้เพียวๆรู้เปล่าๆใช่มหมยังไม่ทันปรุงแต่งแต่หลังจากนั้นไปเนี่ยจิตก็เริ่มปรุงแต่งแล้วแล้วก็จะเกิดอะไรต่างๆมามากมายเพราะฉะนั้นมันจะเป็นสองขยกักสามขยกักถ้าโยมสามารถรู้จกักพรรษาแรกแค่เนี้ยโยมจะแยกแยะออกว่าอะไรคือปรมัติ์อะไรคือสมมติอะไรประมาณเนี้มันง่ายเพราะงั้นผัรษะแรกนะ่ะเขาเรียกว่าต้นจิต จิตก่อนคิดเนี่ยจิตก่อนคิดจิตยังไม่ทันคิดตรงเนี้ยเป็นจิต ด, ดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วในทุกคนแต่เราไม่รู้ตรงนี้ก็เลยไปหลงเพราะความคิดมันเร็วมากอมพอไปหลงเสร็จก็อะไรก็เกิดตามมามากมายนี่ถ้าอธิอธบายปฏิจจสมุปบาทได้จะอธิบายแต่ยังอธิบายไม่เป็นเพราะว่าไม่ค่อยได้อ่านเอาไม่ต้องรู้เยอะหรอกรู้หนึ่งเดียวก็พอแล้วอาจจะมาว่านะง่ายนิดเดียวรู้หนึ่งเดียวประทบรู้ สะรู้รู้ครับอาจารย์พอแล้วเนาะครับได้แล้วก็เออพูดมาก็เนี่ยตามที่ได้ยินได้ฟังนะโยมเนาะเออทางรัดสั้นที่สุดไม่ต้องคิดอะไรมากรู้มันอย่างเดียวผลทางที่รู้ได้รู้ทางตาก็ได้รู้ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจรู้ทันตรงไหนมันก็จบตรงนั้นแหละ อืมนะโดยเฉพาะรู้ใจเพราะในใจนี่มีครบทุกเรื่องหลายอย่างนะถ้าโยมรู้ใจทันนะเนี่ยเป็นมักมันอยู่ที่ตรงนี้แหละนะจิตเห็นจิตจิตในจิตตรงนี้แหละเป็นมักเห็นกายนี่มันก็มักเหมือนกันแหละแต่ว่าอาจจะห่างไปหน่อยสุดท้ายลงที่จิตนะลงที่จิตลงที่ใจจบลงที่จิตจบลงที่ใจนะหยุดการปุงแต่งเสียได้เตสังวุปสโมสุขโขอะเห็นว่าพอสมควรกับเวลา ก็ยุติเพียงแค่นี้